ใครจะส่งกันบ้านเชิญไหนนี่แหละว่าไงไงก็ปฏิบัติตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อเวลาสนตกสัยอะไรเนี่ยก็กำหนดหาประเด็นก็เจอในซีดีในมือถือก็ผิดมาตลอดสองเดือนผิดเรื่อยๆเลยครั้งสุดท้ายเ้าวันก่อนก็รู้ว่าเวลาจะติดเกิดเนี่ยมันมีการพิจารณาด้วย มันไม่ใช่สติแท้ๆก็เลยปฏิปบัติใหม่แค่ห้าวันมานี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้เนเยอะเนี่ยนะก็จะมาเซ็นทำพ่อมาทำสูตรให้กันที่สติตัวจริงนะไม่ได้เจตนาให้เกิดสติตัวจริงเนะี่ยมันเกิดเพราะมันมีเหตุมันเกิดเองเหตุมันก็คือใจเราจําสภาวะได้พอสภาวะเกิดสติก็เกิดนะถ้ามีความจงใจเจอือสักนิดเดียวก็ผิดแล้ว แต่ของคุณต้องนั่งสบายๆก่อนนะตอนนี้มันไม่ปะกะติคุณตั้งใจฟังรู้สึกไหม เ, เดี๋ยวนั่งนั่งเล่นๆไปก่อนนะเป็นไงก็มันเป็นยังไงก็ ค, ค่อยๆรู้วันใจออก็ค่อยๆมีแรงขึ้นมะแล้วดีแล้ว <c oughs> เส็สลุมบอลสร้างวัดหมดแรง แต่ถ้าจับหลักแม่นนะมันไม่มีอะไรน่ากลัวแค่จริงถึงจะทำหรือจะทำไม่ทำนะมันก็เสื่อมมันมีธรรมชาติที่ต้องเสื่อมนี่พอมันเสื่อมเราตกใจนะก็จะเสียแต่ถ้าไม่ตกใจนะใจเป็นกลาง ม, มันขึ้นมาเลยนะก็จะง่ายง่ายไม่มีอะไรยากอย่างใจเราพอมันไม่มีกำลังมันจะสะคองอสะคลองเพราะแรงมันไม่พอ พแต่งพอมันก็ไม่ต้องก ข, ของธรรมดา <c oughs> คุณยายเป็นไงคุณยายอือก็อยากเป็นสลัดสลัดไม่ออกนะ ถ้ารู้สักว่ารู้เนี่ยจะหลุดเลยแต่ถ้าพยายามสลัดเนี่จะไม่ออกโทสะมันเกิดให้ดูโทสะจะมาชี้โมโห โ, โยงหนินะอันนี้เป็นคนดุมากเลยชี้โมโหโใครไม่โยเยเลยรนี่ไม่ได้ภาวนารู้เท่ารู้ทันนะใจมันสบายมันมีความสุขถ้าจิตใจเรามีความสุขนะ จะไม่มีโสดะนะโทสดะมันตามความทุกข์มานี่พาเรามีสติใจเรามีความสุขมูนก็ไม่ค่อยโมโหของคุณรู้สึกไหมคุณประคองไว้นิดนึงนะเออตรงเนี้ยที่ยังคาดเคลื่อนอยู่นะมันจงใจรักษาจงใจประคองไว้ดูออกไหมตรงนีนะ้ตรงที่ยังคาดเคลื่อนอยู่นะอาจจะมาประคองตอนอยู่หน้าหลวงพ่อก็ได้ อ้ามตื่นเ้นต้อทําให้สบายนะสบายสบายทำเหมือนธรรมดาเลยในการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติในรูปแบบพร้อมๆกันวางความปฏิบัตินะไม่ใช่ของจริงอะ่ะเวลาปฏิบัติจริงๆเนะี่ยตามมองเห็นโู้ได้ยินอยู่ในชีวิตธรรมดาเองทำง่ายให้ค่อยรู้สองงานอนะหนึ่งใจเราเผลอไปอันหนึ่งเราบังคับไว้ของคุณรู้จักบังคับได้ใช่ไหมอย่างตอนนี้บังคับใช่ไหม ดูออกไหมเอออย่างนี้ไม่มีปัญหาทาได้ละใช้ได้ขอให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นจริงๆก็ใช้ได้ละนะดีละนีนี่ละมีอะไรอีกไหมครับแล้วคนนี้ละกลุ่มใจไม่ต้องมาวัดเรื่อยๆเนี่ยเป็นหลวงพ่อกลุ้มใจตายเ่ยเป็นหลวงตากลุ้มใจตายเลยแต่ตอนหลวงตาก็ไปวัดทุกวันเลยนะหลวงตาไปวัดตั้งแต่ อายุยังไม่ได้ขวบหนึ่งแม่ก็อุ้มไปทุกวันทุกวันเลยนะลุ้มไปฟังเทศที่วัดโผให้ไปนอนอะ่ะแต่มาโตขึ้นหน่อยไปวิ่งเล่นในวัดไม่เหมือนเด น, นี้นะไม่มีที่ให้เล่นเด็กต้องมานั่งทรมานหน้าสงสาร <c oughs> เลือดออกไหมใจเลยเปลี่ยนไปเรื่อยเยใช้ได้แล้วดูเป็น ดูเป็นนะดีนะใครบอกว่าดูจิตยากมาถามเลยนะ <c oughs> บังคับไหมอื <c oughs> ไม่ต้องกลัวผิดนะถูกก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาไว้เอา <c oughs> ให้เห็นเท่านั้นเองว่าทุกสิ่งมันเกิดแล้วมันเปลีป่ยนแปลง ไม่ได้ปฏิบัติเอาถูกไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขหรอกปฏิบัติให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าตั้งหลักแค่นี้นะสบายจิตเจริญก็มีความสุขนะจิตเสื่อมยังสุขเลยเสื่อมเป็นเรื่องของจิตนะมันไม่เข้ามาถึงธรรมชาติของเราดีแนละ้วภาวนานไปได้นะ เนี่ยมันก็เสื่อมเนีแหละแต่ว่าจิตที่มันเสื่อมนี่นะทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติอยู่ก็เสื่อมได้นะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เสื่อมแน่นอนแหละแต่ว่าเราต้องปฏิบัตินะแล้วก็เห็นว่าเออช่วงนี้สติดีสติเกิดบ่อยอีกช่วงหนึ่งไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านอย่างเดียวทั้งๆ ท, ที่ทําเหมือนกันทุกวันภาคเพียรเต็มที่แล้วนะมันก็ยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ถึงจะดีแต่ถ้า ช่วงไหนปฏิบัติขยันปฏิบัติแล้วสติเกิดบ่อยอันนี้มันเรื่องธรรมดาช่วงไหนไม่ปฏิบตัติสติไม่เกิดเลยใจฟุ้งซ่านนี่ก็เรื่องปกติธรรมดาไม่ได้ให้อะไรเราหนะ้าที่เราต้องทาต่อเนื่องทาสม่าเสมอทุกวันทุกวันไม่ละเลยนะสว ด, ดมนต์ไหว้พระทาสมาธิเดินจงกรมนะเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวันเป็นแะค่ ทั้งๆ ท, ที่ทําเหมือนกันทุกวันแต่ผลออกมาไม่เท่ากันมันจะเริ่มให้เราเห็นว่ามันมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นมีการบังคับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างหลวงพ่อขยันดูทุกวันนะน่าจะเจอหลวงปู ด, ดูเนะี่ยดูจิตทุกวันเลยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะบางวันกิเลสเยอะแยะเลยบางวันสงบสุขแหมสบายเหมือนมนั่นผลนิพพานอยู่ต่อหน้าอีวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นเลยแต่ว่าทําอยู่ทุกวันนะ ก็ถูกนะหมายถึงว่าใจเราต้องได้พักผ่อนบ้างอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนทํางานทํางานหนักนะก็ <c oughs> ก่อนอยู่สภาความมั่นคงมีแต่เรื่องเครียดตลอดเลยเมื่อเราทำงานผิดพลาดเนี่ยส่วนรวมเสียหายมีเรื่องเครียดมากหลวงพ่อใช้เวลาทํางานเนี่ยตั้งใจทํางานไปนะแต่มีเวลาเบรกของตัวเองเบรกอย่างลึกลับนะคนอื่นไม่รู้ดอก อยูสักชั่โมงหนึ่งเนี่ยจะลุกไปห้องน้ําเดินไปห้องน้ําตอนลุกขึ้นมาจากเค้าอี้เดินไปห้องน้ําเนี่ยจิตใจกำลังวุ่นวายคิดงานมาหมกมุ่นมากดูจิตไม่ออกหลวงพ่อเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําตอนเดินจับจากห้องน้ําเนี่ยดูจิตกลับมาได้ละเมื่อเรามีการเว้นบักให้ตัวเองหัวหนักกองจะรู้สึกหลวงพ่อที่ไปห้องน้ําบ่อยไม่ด้วยเราแอบไปภาวนา เราเบรกตัวเองเบรกปรากฏว่าไองานงที่กําลังคิดไม่ออกนะพอเบรกตัวเองเส้กนิดหนึ่งคิดออกกลับดีกว่าเก่าอีกเนี่เวลาหลวงพอทํางานเนี่ยจะทําสบายๆอย่างเราอ่านข้อมูลศึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วลเวลาเขียนหนังสือเนี่ยหลวงพ่อไม่ร่างนะหลวงพ่อจะนั่งที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ออกมาเลยบางทีผู้ใหญ่ก็มารอยืยนล้อมโต๊ะแล้วรอเซ็นเพือเพิ่มแดกดดันให้เราอีก แฉนั้นเราเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละแต่เราฉลาดนิดหนึ่งรู้จักเว้นวักให้ตัวเองบ้างหรือตอนเราทำงานเหนื่อยๆยกแก้วน้ำยกน้ำชาขึ้นจิบยกกาแฟขึ้ น, กกนดื่มอะไรเงี้ยตรงเนี้ยรู้สึกไปเลยนาทีหนึ่งสองนาทีไม่ทิ้งมันเป็นคาราวาสนะเวลาส่วนใหญ่ต้องเอาไปยุ่งกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนี่คิดสารพัดนะ งั้นเวลาเล็กๆน้อยๆนาทีสองนาทีก็ใช้ประโยชน์มันใช้ได้ละสกิจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงรู้ส mm, mm. ึกไหมก็ค่อยมีแรงขึ้นหน่อยอ้าวอาจารย์ตูเป็นไงอะไรนะเอออาจารย์ปูสองคนนี้เรียนผิดกันเลยเลยเนอก็ต้งแต่ดูงานระยะหลังอาจารจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่คือไม่รู้สึกอืม ดีนะใจค่อยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมใจอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาเต็มที่ดีขึ้นเรื่อยๆฝึกไปที่ทําอยู่ดีแล้วนะมีปัญหาก็คุยกับอาจารย์สุรวัตรอาจารย์สุรวัตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรอย่างอาจารย์สุรวัตรหายากนะอันไหนแกไม่รู้แกบอกว่าไม่รู้เนี่ยแกไม่มีฟอร์มนะไม่วางฟอร์มของอาจารย์ใหญ่นะน่ารักมากเลย คนไปถามไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเัน่นี้มนไม่รู้ว่างั้นแกไม่พาเราหลงทางแน่แน่โบเป็นไงโบง ม, ม, มันเป็นอะไรนะนนใจมันไม่แช่มชื่นใจปัญหาเรามันเยอะ เราลดความยึดถือในความคิดความเห็นตัวเองลงบ้างยังรู้ให้เยอะนะอย่างเนี้ยเพราะเรายึดถือความคิดความเห็นเยอะเราทุกข์เยอะแล้วมันแก่ขัดแย้งเยอะถ้าเรารู้ตรงนี้นะใจเราทรายความยึดในความคิดความเห็นของเรานะจะมีความสุขมากขึ้นอีกภาวนาเราจะได้มีความสุขเยอะเยอะเราครดูตัวเรานะ ไปเรื่อยแต่ที่โบทำอยู่ใช้ได้นะก็ดีเหมือนกันเนี่ยใจตื่นมากกว่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้มันซึมมัวมั ว, มวดูออกแนละ้วามีใครอีกอ่ ะ, อะคุณนี่เอาเสนหน่อยได้ครบพอดีสองแถวอะไรนะดีแล้วที่รู้ทันใช่ใจฟุ้ง ไม่บังคับนะไม่บังคับนะยังบังคับอยู่เนี่ยเอาอีกแล้วรู้สึกไหมอ่ะโยบ้างโยให้ตายใจก่อนเป็นไงโยเวลามันคือเหมือนกับมันรู้ตัวว่ามันคิดไปด้วยแต่ว่าไม่รู้ติดก็รู้ไปนะแต่เวลาความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเต็มที่ไม่คิดอะไรอ่ะ หรือถ้าคิดนะความคิดจะไหลยอยู่ห่างๆรู้สึกไหมเหมือนความคิดมันอยู่ห่างๆถ้าอย่างนั้นยังพอใช้ได้เวลาต้องคิดนะใจกับความคิดไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างอยู่มันปล่อยให้สังขารขันมันคิดนึกสรงแต่งไปธรรมชาติรู้ก็อยู่สหัสเหมือนเรารู้ความคิดอยู่นะรู้อยู่ไกลๆเครเป็นบ้างไหมสมพงษ์ อมันอยู่คนละคนคิดนะแล้วความคิดมันจะไปอยู่ห่างๆแล้วของโยะหลงไปเลยใจไหลแว บ, บไปเลย <c oughs> โยะปกะดีแล้วล่ะดูไปเรื่อยๆดีแล้วใช้ได้แล้ว <c oughs> สมพงบังคับไว้ทราบไหมนะยังปกครองอยู่ก็รู้ทันมันหน้าที่ของเรารู้ทันความปรุงแต่งนะไม่ใช่ไปช่วยมันปรุงแต่ง แค่จิตเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันปรุงแต่งเราก็รู้ทันมันเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งว่าท่านยังไงจะละอกุศลได้ให้รู้ลูกเดียวเลยรู้ไปถ้าคุณกบคุณสุ น, นันท์ส่งกันบ้านอือไม่ได้ใจรู้ว่าไม่ได้ใจนะรู้โลกปัจจุบันไป ใช่นะค่อยๆสังเกตเอาเองสมาภาวนานะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรียนนะแล้วก็ออกมาเลยเรียนแล้วก็ออกมาอาศัยความสังเกตเอาสังเกตเอาเคยที่จะไปอยู่กับท่านแบบค้างวันค้า ง, ง, ง, งคืนก็เกิดกับหลวงปู่เทศนะกับนหะลวงปูดุลไม่เคยแต่หลวงปูเทศก็ไปอยู่กุฏิติดกับท่านเลยเข้าไปทันทีท่านให้อยู่กุฏิเก่าท่าน ที่ท่านเคยนอนนี่มองเห็นกุฏิใหม่ท่านเห็นในห้องท่านอ่ะไปอยู่้ลําบากนะอยู่แล้วเห็นท่านเดินทั้งวันทั้งคืนผู้เฒ่าอายุเก้าสิบอยู่แล้วตนะีหนึ่งตีสองอยังเดินจงกลมอยู่เลยอ้เราหนุ่มๆนั้ น, นงว่วงแทบตายเลยง <c oughs> ั้นภาวนาให้สังเกตเอาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราสังเกต อยู่ใกล้ครูบาอาจารก็ไม่ค่อยดีหรอกไม่เคยชินแต่พออยู่ห่างๆเนี่ยแล้วเราพยายามช่วยตัวเองเนี่ยเราแกล่งนะที่คุณสุ น, นั้นเป็นไงคุณสุ น, นั้นต์เหนอือใจไม่ถึงอีกเหรอ <c oughs> มันเป็นไงใจไม่ถึงอ๋อดีใช้ได้มองเห็นใช้ได้ละนะพอเป็นไงบ้าง ถ้ใช้ได้แล้ว <c oughs> รู้แล้วล่ะพอเรารู้อย่างพอมันรู้ทันนะจิตไปรู้อารมณ์ความยินดีแทรกเข้ามาเราเห็นอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ดีละ <c oughs> แล้วก็ก้าวหน้านี่ <c oughs> อยู่อเมริกาก็ทำได้เนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ดีกว่าเมานะื่อวานแล้วดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วดีแล้วเราเพิ่งอนะ่าาที่ผ่านมามีวันนึงเสคือแบบไม่เหมือนกันกนก็ว่าโอเคอันนี้คือุด้กลับมาอย่าดึงก็แล้วกันนะมันยังติดการประครองอยู่อีกหน่อยยังไม่หมดดูออกไหมดีดีที่เห็น ไม่ไม่ไม่ผิดปเตยเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นแะเตียใจมันคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนะยกเว้นตอนลงผวังถ้ามาลงผวังก็ไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ชอบขึ้นมารับอารมณ์อ่ะตอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี้ยดีนักเลยคิดสเปสสปะมีครูบาอาจารย์ชอบพอนอนพอแล้วให้รีบลุกซะให้ไปนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ดี พึ่งหลับพึ่งตื่นใจออนแอสูตรวัดป่าตื่นกันตีสามมาตรฐานตีสามวัดหลวงพ่มวันตีตีสองันตีหนึ่งครึ 1, ค่นทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไระให้รู้ทันนะเนี่ยตามรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้ล ะ, ะส่งกันบ้านโอ้ดีขึ้นเยอะเลย คือตรงที่ไปทรงรู้กายเนี่ยนะแล้วใจหนักขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากจงใจอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะอันนั้นแกล้งรู้สึกขึ้นมาแตมาทําหน้าให้ดูนะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะมันแกล้งทำํำนะั้นเราไม่จำเป็นต้องไปทรงให้มันค้างอยู่นานๆ น, นะให้คอยรู้ไปร่างกายที่กําลังนั่งอยู่ร่างกายที่พยักหน้าอยู่นิด เป็นของที่ใจเราไปรู้เข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมเป็นก้อนธาตุถ้ารู้กายนะเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนรู้สบายๆมันจะไม่เข้าไปตรึงไหมถ้าไปตรึงแล้วใจจะทื่อๆนิดหนึง่งนะใจทื่อๆเนี่ยเกิดจากจงใจไปปฏิบัติจงใจไประมัดระวังกายส่วนการดูจิตดูใจถ้าดูถูกต้องนะความจริงดูกายถูกต้องก็เบาเหมือนกัน จะเบาๆถ้าเมื่อไร่ปฏิบัติแล้วรู้สึกหนักแสดงว่าเราเข้าไปบังคับแล้วเข้าไปควบคุมไปแทรกแซงเนั้นใจที่เป็นกุศลมันจะเบาเาสบายใช้ได้นะที่ทำอยู่ดีขึ้นแล้วละคุณนั่นลหะ <c oughs> งงรู้ว่างง <c oughs> ออสับสนให้รู้ว่ากำลังสับสนอยู่สับสนเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวหนึ่ง เหมือนกับความโลภความโกรธอะไรต่างๆนั่นเองนะเมือนความสับสนเกิดขึ้นก็เหมือนความโกรธเกิดขึ้นดูอย่างเดียวกันใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเผลอไปแล้วบังคับแล้วรู้สึกไหมบังคับแล้วไงสมบงูงปล่อยหมดเนี่ยเออตับถูกใช้ได้โอ้วันนี้ไล่ได้สามแถว เก่งมากเลยดาไล่ได้สองแถวเคยมาไหมคุณผู้หญิงถัดไปนะ่ะเหรอนน เ, เห็นกิเลสบ่อยไหม <c oughs> เวลากิเลสเกิดเนี้ยรู้ทนันไวขึ้นไหม <c oughs> ไม่เป็นไรมันธรรมดามต้องหลุดบ้างอะนะ <c oughs> แต่หลุดอย่าไปตีใครเขานะ <c oughs> เขาไม่ไปว่าด้วยนะใจเราเราก็ไม่ว่ามันนะคอยรู้ค่อยดูไปเรื่อยใจเรามันไม่ฉลาดจะช่วยมันนช่วยไม่ได้ที่ว่ามันไม่ฉลาดเราก็ต้องช่วยมันด้วยกันพามันรู้พามันดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ฉลาดนะอย่าไปตำหนิตีเตียนมันเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งสอนมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็อย่าไปว่ามัน ค่อยๆสอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองใจนี้เราก็อย่าไปตำหนิตีเตียนมันนะมันก็ดีบ้างชั่วบ้างอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยอ่ะคุณ น, นี้โอ้ดีที่เห็นอืเออคือนี่เวลามีโทสะนะรู้ทันมันไม่กดนะแต่ว่าไม่ให้มันลดนออกมา ไม่ให้ลดออกมาทางปากทางมือทางเท้าเนะีือบางคนบอกว่าเดินหนีไปเลยได้ไหมโมโหมากล้วเดินหนีไปเลยก็ได้นะยังไงก็รักษาศีลไว้ก่อนศีลจะเป็นนะศีลเป็นของสําคัญนะสมาธิก็สําคัญนะสมาธิไม่ใช่ไม่สําคัญสมาธิก็คือใจเราต้องตั้งมั่นต้องได้พักผ่อนบ้างนะภาวนา ตามรู้ลูกเดียวเครียดเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าดูจิตชำนิชำนานเนการดูจิตเนี่ยเราคลิกเข้าไปทําสมาธิได้เลยะไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานหรอกดูจิตไปแล้วเราก็จับความรู้สึกว่างๆ<ม>ก็ได้พักผ่อนหรือเวลาเราทํางานเหนื่อยๆล้วก็ตามรู้ใจไปเรื่อยๆนะไม่ฝืนมันนะมันจะง่วงจะซึมไม่ฝืนมันลอยมันไปความรวมปุ๊บพอถอยขึ้นมานะลงไปปุ๊บเดียวขึ้นมาเนี่ยสดชื่นไปพักหนึ่งนะ S 1> <S 1> เป็นกะลาวา่าก็ต้องมีวิธีพักผ่นาานอนนึง<ร>งานมากก็พักผ่อนอย่างนี้แหละจิดรวมลงไปแว บ, บหนึ่งขึ้นมาก็สบายจะอะไรนะตัวรู้กับสิ่ทุกอเนียเออถ้ามันแยกก็รู้นะมันไปรวมกันก็รู้นะค่อยฝึกไปเราจะเห็นเลยขันห้ามจะกระจายตัวออก กายก็อันหนึ่งรู้สึกแล้วใช่มกายกอันหนึ่งไม่ใช่จิตออกเวทนาก็ไม่ใช่จิตตัวออกใช่ไหมความคิดก็ไม่ใช่จิตเรื่องราวกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตค่อยกระจายออกไปความจําได้หมายรู้ก็ไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยดีแล้วให้มันกระจายตัวออกไปเดี๋ยววันนึ่งจะเห็นว่าตัวเราไม่มีการเรียนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าวิพัตชวิทีกระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไป แต่กระจายได้หลายแบบนะแล้วแต่จริตนิสัยของคนอย่างคนไหนชอบดูจิตมากกว่าดูกายเนะี่ยท่านสอนเรื่องขันหนะ้าชอบนมามธรรมมากกว่ารูปธรรมเพราะถ้าแยกแบบเป็นขันห้าเนี่ยรูปเมียนเดียวนะมีนามหลายอันนะแยกนามอย่างละเอียดนะถ้าคนไหนชอบดูกายนะท่านสอนเรื่องอายะตนนะแยกตัวเราออกมาเป็นอายตน 6, นะหกตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปซะเยอะเลยเห็นไม ก็เหลือใจเป็นนามธรรมาถ้าคนไหนชอบมากๆเลยทั้งรูปทั้งนามเยอะๆท่านสอนเรื่องธาตุธนะาตนะุสิบแปดมีทั้งรูปทั้งนามเยอะแยะเลยนะแล้วแต่จดิตฐ์นะิสัยคนเรื่องธาตุเรียนยากนะธาตุเพราะธาตุมีเยอะถ้าเรียนขันห้าก็ง่ายหน่อยนะขันห้านี่เรียนขันห้าเหมาะ ก, กับพวกที่ชอบดูนามธรรมเหมาะกับคนคิดมากกว่า คนชินมากทำงานด้วยใจไม่ได้ทำงานด้วยเรียวแรงไม่ได้เอากำลังกายไปทำงานอเอาสมองไปทำงานเอาความคิดเอากำลังใจไปทำงานเนพวกปัญญาชนพวกคนเมืองอะไรเงี้ยเหมาะที่จะรู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะเห็นในกายนี้ของถูกรู้ถูกดูเนี่ยเราไม่ไปแยกแยะที่กายละนี่บางคนเป็นพวกตันหานจริตพวกรับรับในความสวยความงามความสุขสบายอะไรเงี้ย ต้องแยกกายเยอะๆแยกกายเยอะๆกระจายกายออกไปแล้วแต่จริตนิสัยนะบางคนทํานิ้นๆหน่อยๆรู้หยาบๆก็ตัดละบางคนต้องรู้ละเอียดถึงจะตัดนเพราะว่าอยากมีปัญญาเยอะๆบางคนนะพิณาไม่ได้พิณาหมายถึงปฏิบัติเนี่ยจิตมันพิจารณาอริยสัตว์เดี๋ยวก็เข้าแง่มุมนั้นเดี๋ยวก็มุมนี้ไปเรื่อยเลยนะแล้วมันไม่ตัดออกมันรู้สึกไม่พอ รู้สึกปัญญาไม่พอเลยนี่พวกปัญญากล้ามากๆเลยค้นคว้าแง่มุมของอริยสัจมากมายอย่างพระสารีบุตรเนี่ยรู้อริยสัจได้กว้างขวา ง, วางมากกว่าพระอื่นๆปัญญากล้าถ้าอย่างรู้ไม่พอไม่หยิ่มไม่พอไม่ตัดจิตนิสัยคนต่างๆกันนะไม่เรียนแบบกันไม่ได้ทางใครทางมันก็าเป็นไงป้ะ ยังมีอยู่หน่อยๆเนอะยังบังคับอยู่อ๋อมันเป็นตอนหน้าหลวงพ่อนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเยอะนะคนใ <c oughs> นโลกเนี้ยเยอะไม่โรคติดต่อแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ดีแล้วอึดอัดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวออกไปแล้วมันพอดีตรงนี้มันตึงขึ้นมา น, นิดหนึ่งออกไปแล้วมันพอดี นะร่างกายก็มีส่วนไม่เป็นไหนี่ใส่พื้นเดิมเราโทสะเยอะนะจริงๆโทสะเยอะดูง่ายนะโทสะมันหยาบการปฏิบัติธรรมเราดูอารมณ์ที่หยาบก็ใช้ได้นะไม่จาเป็นต้องละเอียดนะหยาบแล ะ, ละเอียดเนี่สอนธรรมะเราเท่าๆกันะงั้นจิตมีโทสะแล้วก็ไม่มีโทสะรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มีโทสะอีกแล้วก็หายไปแล้วก็มีโทสะแล้วก็หายไป ฝึกดูอย่างเนี้ในสุดจะเห็นเลยจิตทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับนะฝึกรู้ไปมีโทสะเยอะเราก็รู้โทสะไปนะใจลอยบ่อยเราก็รู้โมหะไปนะโล่มากเราก็รู้ราคะไปเช่นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดรู้สึกไหมมันจะอยากดูอยากฟังอยากคิดแล้วก็ดูมุมนี้ไปเลยก็ได้นะแต่แต่ละคนนะทางใครทางมันไม่เหมือนกัน โอดีนะเห็นกิเลสนละ้ดีและ้ะถ้าเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆนะไม่ค่อยพลาดนะถ้าภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเลยนะสาหัสเลอาการแก้ยากที่สุดเลย <c oughs> บางท่านนะรู้ว่าผิดนะรู้ว่าผิดมีพระมาหาหลวงพ่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยท่านดูจิตอยู่ดูดูดดลําหลุดปุ๊บออกมาสว่างว่างอยู่อย่างนะั้นนั้นทุกวันเนี่ยถ้าจะเข้ามาอยู่ช่องนี้เลยเข้ามาปรุงความว่างความสว่างเอาไว้ ถล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติสบายสบายกิเลสก็ไม่มีความทุกข์อะไรก็ไม่มีท่านก็สังเกตเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่นิพพานหรอกนะมันยังมีเข้าเข้าออกออกได้นะชี้ให้ท่านดูนะมันเข้าช่องตรงนี้ตรงนี้นะท่านแบบก็เสียดายจะให้เลิกซะนะก็เสียดายมันมีความสุข ต, ตรงนี้ยเอ่ถ้าเสียดายก็อาจจะแก้ไม่ออกเพราะว่าพอใจแล้วพอใจ เรื่องจิตเรื่องใจห้ามกันไม่ได้นะใครจะเดินยังไงก็ได้โอ้ดูหลวงพ่อใจดีนะใครจะ ย, ยังไงก็ได้ใครจะเป็นนรกก่อนหลวงพ่อยังไม่ว่าเลยเพราะ <c oughs> บางคนต้องให้นรกสอนนะคนอื่นสอนไม่ไหวครูบาอาจารย์สอนไม่ไหวต้องให้ความทุกข์นี่แหละเชี่ยวกรำ ม, มากๆแสนสาหาัสกนใจถึงจะค่อยๆ ค, ค, คลายความยึดถือนะอ้าวสองเป็นไงห้าวหมดเวลาไปดีที่สองนี่แหละ เดี๋ยวพอรอบสองก็นั่งคนกันใหม่แล้วงพ่อกไ็ไล่ไปถูกแล้ว <c oughs>